การล้างอัตติเลมาธาตัวอัตตามานะด้วยธรรมะหมวดพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจากพระไตรปิฎกเล่มสิบเอ็ดข้อสองร้อยสามสิบสี่ได้แก่หนึ่ง เมตตาคือปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นผาสุขพ้นทุกข์ได้ประโยชน์ได้สิ่งที่ดี 2. การุณาคือลงมือกระทำตามที่เราปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีนั้นๆตามเหตุปัจจัยที่ทำได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นใช้หลักทำความผาสุขที่ตนช่วยคนที่ศรัทธา ทำความผาสุกที่ตนทำตัวอย่างที่ตนเพราะเรากําหนดเราได้เราเปลี่ยนแปลงเราได้แต่เรากําหนดคนอื่นเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้สอดคล้องกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เน้นให้ทำความผาสุกที่ตนเป็นหลักเช่นตนแหลเป็นที่พึ่งของตนพึงตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรก่อน แล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจากไม่มัวหมองให้มันทานาตัวเองอย่ามันทำนาคนอื่นจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นต้นช่วยคนที่ศรัทธาเพราะการช่วยคนที่พร้อมเต็มใจศรัทธาจะสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะทำใจในใจอย่างแยบทายในสิ่งนั้นๆเป็นผลสืบเนื่องให้รู้คุณค่าประโยชน์และภาคเพียรปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม24อวิชชาสูตรข้อ6กการคบสัปปบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัทธธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบถ่ายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบถ่ายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่หรือกายเวทนาจิตธรรมให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโธชงเจ็ดหรือสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัตธิสมาธิ อุเบกขาให้บริบูรณ์เพื่อชงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ส่วนการช่วยคนที่ไม่ศรัทธาไม่พร้อมไม่เต็มใจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะไม่ทำใจในใจอย่างแยบท่ายในสิ่งนั้นๆเป็นผลสืบเนื่องให้ไม่รู้คุณค่าประโยชน์และไม่ภาคเพียรปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นจึงไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นดังพระไตรปิฎกเล่มที่24อวิชชาสูตรข้อ61การไม่คบสัปปะบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังศัทธธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังศัทธธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบถ่ายให้บริบูรณ์การทําไว้ในใจโดยไม่แยกถ่ายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่สัมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สัมรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมอย่างทุจริตสามให้บริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมอย่างนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมอย่างอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้ มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ 3. มมุทิตาคือยินดีที่คนอื่นได้ดีหรือเมื่อเกิดสิ่งดีนั้นหรืออย่างน้อยก็ยินดีที่ดีเกิดในใจเราเราไม่ได้ดูดายไม่ได้เพิกเฉยนี้คือมุทิตาที่ถูกต้องส่วนมุทิตาที่ผิดหรือ โรคพมสามหน้าหรืออัตตามานะหรือนรกของคนดีคือยินดีที่ตนเองหรือผู้อื่นได้ดีเกิดดีแต่ถ้าไม่ได้ดีไม่เกิดดีต่อตนเองหรือผู้อื่นแล้วยินร้ายไม่พอใจไม่สุขใจเกิดทุกข์ใจสี่ อุเบกขาคือจิตปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดสภาพสงบสบายไร้กังวลอันเกิดจากเมื่อเราได้ภาคเพียนพยายามทำดีเต็มที่แล้วไม่ว่าผลดีจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นก็ปล่อยวางผล น, นั้นให้โลกฝึกสลายเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ ซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในจิตเช่นยึดว่าถ้างานเป้าหมายสาเร็จฉันจะเป็นสุขใจไม่สำเร็จฉันจะเป็นทุกข์ใจถ้าคนนั้นคนนี้สังคมนั้นสังคมนี้ดีเป็นได้สมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ดังใจฉันหมาย ฉันก็จะเป็นสุขใจแต่ถ้าไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นไม่สมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ดังใจฉันหมายฉันก็จะทุกข์ใจได้สิ่งนั้นมากฉันก็จะสุขใจได้น้อยหรือไม่ได้ก็จะทุกข์ใจและอีกสารพัดเรื่องทุกเรื่องทุกประเด็นที่ยึดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ดังใจฉันหมายฉันก็จะสุขใจแต่ถ้าไม่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังใจฉันหมายฉันก็จะทุกข์ใจล้วนเป็นเหตุให้หลงวนเวียนอยู่ในสุขลวงสุขน้อยทุกจริงทุกมากไม่รู้จบไม่รู้แล้วแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีแล้วภาคเพียนพยายาม ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีนั้นอย่างเต็มที่ตามเหตุปัจจัยที่ทำได้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังใจเราหมายแต่ปล่อยวางผลให้เป็นไปอย่างถูกตรงกับสัจจคือความจริงแท้ว่าเราหรือใครใคร จะได้รับผลอะไรแค่ไหนเท่าไรอย่างไรก็ล้วนเกิดจากการสังเคราะห์ของกรรมหรือการกระทาที่เป็นกุศลหรืออกุศลในปัจจุบันส่วนหนึ่งกับกรรมหรือการกระทาที่เป็นกุศลหรืออกุศลในอดีตส่วนหนึ่งของเราหรือผู้นั้นผู้นั้นจะเกิดดีหรือร้ายกับเราหรือผู้นั้นผู้นั้นมาก หรือน้อยไปกว่านั้นไม่ได้รับผลแล้วผลนั้นอันคือพลังวิบากตีหรือร้ายนั้นก็จบดับไปเท่าที่รับดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก ร, ะระิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความตามที่กรรมหรือการกระทําทางกายวาจาใจอันเป็นไปด้วยสันเจตนาหรือความจงใจ ที่บุคคลทำแล้วสะสมแล้วจะสิ้นสุดไปโดยไม่ได้เสวยผลหรือรับผลแต่กรรมหรือการกระทำนั้นแหลจะให้ผลในภพนี้หรือในภพถัดไปหรือในภพอื่นสืบสืบไปจากพระไตรปิฎกเล่ม3าสิข้อ9 8พิจารณาโทษ หรือผลเสียของการไม่ปล่อยวางให้เป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท้พิจารณาประโยชน์หรือผลดีของการปล่อยวางให้เป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท้เมื่อพิจารณาซ้ําๆเรียกว่าวิปัสนาญาณจนเกิดฌานหรือพลังปัญญาที่สามารถทําลายความยึดมั่นถือมั่นในกามในอัตตา ซึ่งเป็นกิเลสหรือเหตุแห่งทุกข์ก็จะสามารถสลายพลังของอัตตาหรือการยึดมั่นถือมั่นให้ได้ดังใจมุ่งหมายว่าต้องเกิดสิ่งที่ดีหรือร้ายกับเราหรือกับใครๆมากหรือน้อยกว่าความจริงที่เป็นไปได้จริงหรือความอัจฉริยะเมื่อสลายอัตตาได้ก็จะเกิดความสุขในการยอมรับ เข้าถึงความจริงตามความเป็นจริงตามสัจธรรมแห่งกรรมหรือการกระทาในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งของแต่ละชีวิตสังเคราะห์กันคือความยุติธรรมแล้วดังนั้นหลักการทาดีอย่างมีความสุขคือมุ่งหมายที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทําให้ดีที่สุดโดยไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมัน่น ในสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนมุ่งหมายหรือคาดหวังนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่ายินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงจากพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้าอส4สิคือจงยินดีในการหยุดชั่ว ยินดีในการทำดียินดีในการทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการยินดีในการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าการกระทำดังกล่าวต้องราบเรียบหรือไม่ราบเรียบสำเร็จหรือไม่สำเร็จผ่านหรือไม่ผ่านถูกกดดันหรือไม่ถูกกดดันถูกแกล้งหรือไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหงถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูกมีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคต้องเกิดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใดๆเพราะชีวิตเราหรือชีวิตใดๆในชาตินี้หรือในชาติก่อนๆล้วนแต่เคยทําดีทําชั่วมาทั้งนั้น สังสมเป็นวิบากดีชั่วที่ทุกชีวิตจะต้องรับทั้งสิ่งดีสิ่งร้ายเป็นธรรมดาตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตใดหนีพ้นรับผลจากวิบากดีหรือชั่วนั้นแล้วผล น, นั้นก็หมดไปขณะที่รับสิ่งดีพึงระลึกรู้ว่าเกิดจากดีที่ทำมาดังนั้น จงทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปสืบเนื่องไปอย่างรู้เพียรรู้พักจะได้มีดีอาศัยสืบเนื่องไปขณะที่รับสิ่งเลวร้ายพึงระลึกรู้ว่าเกิดจากชั่วร้ายที่เคยทำมาที่ทำชั่วร้ายกับใครๆในชาตินี้หรือชาติก่อนไม่เห็นโวยเลยพอโดนเองบ้างทำเป็นโวย ดังนั้นถ้าพยายามทําดีอย่างเต็มที่แล้วแต่ถูกกดดันบังคับให้แพ้ชนิดเลี่ยงไม่ออกจงยอมแพ้ด้วยความเต็มใจเพราะชาติใดชาติหนึ่งเราเคยใช้อำนาจองค์ประกอบต่างๆกดดันบังคับเอาชนะคนอื่นมาจึงเป็นวิบากให้ต้องรับความพ่ายแพ้ชดใช้ในชาตินี้รับแล้ว สิ่งเลวร้ายก็หมดไปเท่าที่รับและสิ่งดีก็จะส่งผลดีได้มากยิ่งขึ้นแพ้ได้จึงชนะวิบากร้ายและชนะทุกในใจได้เพราะวิบากร้ายนั้นหมดไปโดยที่เราไม่ได้สร้างวิบากร้ายคือความอาฆาตพยาบาทเอาชนะทาาทานเพิ่มใหม่ดังนั้นจงทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปสืบเนื่องไป อย่างรู้เพียรรู้พักจะได้มีดีอาศัยสืบเนื่องไปในการละลายวิบากชั่วร้ายให้เบาบางและสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองและผู้อื่นยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่ค่ารวมแล้วเลวร้ายเป็นส่วนใหญ่แม้ทำดีเต็มที่ก็จะส่งผลดีได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนี้เกิดมาทำ และชดใช้วิบากเ้ายร้ายดังนั้นเมื่อทำดีเต็มที่แล้วจงอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะโดยสัจจะแล้วมันจะเป็นหรือไม่เป็นดังใจที่เราหมายก็ได้จงปล่อยวางผลที่เกิดขึ้นกับเราหรือใครๆให้เป็นไปตามบาปบุญกุศลอกุศลของเราหรือของใครใค และสุดท้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเรามีหน้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่าที่เป็นไปได้จริงเพื่อให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นจงทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างรู้เพียรรู้พักเพียรให้หนักพักให้พอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเมื่อเราทำดีอย่างเต็มที่แล้วกุศลย่อมเกิดสูงสุดแล้วที่เป็นไปได้จริงไม่ว่าจะจบเร็วหรือจบช้าหรือไม่จบรวมทั้งประสบกับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆพระพุทธเจ้าบางพระองค์ บำเพ็ญจนตรัสรู้และสร้างศาสนาในยุคที่มีคนดีมากก็ช่วยคนได้มากบางพระองค์บำเพ็ญจนตรัสรู้และสร้างศาสนาในยุคที่มีคนดีน้อยก็ช่วยคนได้น้อยกว่าแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีกุศลบารมีเท่าเทียมกันเพราะท่านบำเพ็ญเต็มที่เหมือนกันแต่ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากกุศลสูงสุดอยู่ที่การบำเพ็ญเต็มที่ของแต่ละชีวิตเราเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ภาคเพียรบำเพ็ญอย่างเต็มที่แล้วกุศลสูงสุดที่เป็นไปได้จริงก็เกิดในชีวิตของเราแล้วไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีนั้นจะได้มากได้น้อยหรือล้มเหลวก็ตาม